Book 2เจ็ดสิบหตเหตุผลบางประการสองเทอร์กเมนโตสติชกาท์เทอร์อาร์กเ ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับเซนก์เอร์เซนุกเอดัร์ผมไม่สบายครับอุนอิชาอิมูรผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับนุกเอร์ดาเซเซอิชาอมูรนุกเอร์ดา เซบเซอิช s อิสมูร์ไมเธอถึงไม่ Favorite, ได้ไมาล่ะครับเซนุกเอร์ดิอ้อยเซนุกเอร์ด a อ้เธอเหนื่อยครับอ j อยอิสเตเอล เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับ Ayu n k e r i s e p s iste e l o d r a nuke r d i s e p s iste e l o d r ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่นะครนะับ se n u k a r d r a se n u k a r d r a i เขาไม่มนะีอารมนณะ์ครนะับ อเด้ขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับอซซนุกไ er se er se ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาละครับ นุกเอิร์ดท์อ่ะทิวบเสนุกเอิร์ดท์ยูรถของเราเสียครับ n, er n er a jon ë s อ t ë อสเทปริชช์แมคินายอนออสเทแอปริชช์ u ราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับนุกเอิร์ดท์สิบสิบแมคินายอนออสเ n ปริชช์เ เซบซ์แมยอนอื้่ไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับซพวกเขาพลาดรถไฟครับอาตาคุณเปนเทรนิน พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับ Atanuk Erden s e p s e h u m b n t r n i n Ata Nuk Erden s e p s e h u m b n t r n i n ทำไมคุณถึงไม่มาครับ s e n u k e r e t i ผมไม่ได้รับอนุญาต นุกมยวใผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตอุนนุเครดา่าเสพเซนุกมาลย อ, อุนุนนกเรดสซนุกมเลยวใ